สถาบันอาสงสิงเป็นสถาบันอุดมศึกษาคือเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กนะคะมีสามสาขาเรื่องกันศึกษาศาสตร์แบบองค์รวมเรื่องของสารพยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของผู้ประกอบการสังคมนะคะโรงเรียนรุอรุณและอันสินเนี่ยเป็นการศึกษาวิถีพุทธค่ะเราตั้งมาด้วย เจตนาลมอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนก็ได้ให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติธรรมนะคะผู้บริหารทุกคนก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราก็เดินดำเนินการมาตามแนวทางหลักการของการนำเอาคำสอนของพระพุทธองค์มา ประยุกต์สู่การจัดการศึกษาสมัยใหม่นะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามจะสมัยใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยจิตวิญญาณของครูเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจนะคะในสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์นะฮะที่มนุษย์สามารถที่จะศึกษาแล้วก็พัฒนาตนเองได้ในระดับจิตวิญญาณ นะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นรากฐานของทุกเรื่องเป็นคําตอบของทุกเรื่องในการจัดการศึกษาเพราะว่าการศึกษาที่แท้จริงนั้นเราทําไปเพื่อพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะ <c oughs> แต่ว่าการศึกษาทั่วไปอาจจะไม่ได้นำไปสู่เป้าหมายนี้น ะ, ะแต่เราก็พยายามที่จะ ดึงกลับคืมมาว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั้นเนี่ยการศึกษา<ม>ก็ควรจะเป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์ที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์นะคะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้ภาวะต่างๆที่จะเข้าไปสู่แนวทางของการเป็นพุท ธ, ธะนะคะแล้วเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ย การศึกษาการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกับชีวิตเป็นการพัฒนาชีวิตนะคะดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ว่าต้องให้บุคลากรของโรงเรียนของสถาบันเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องการพัฒนาจิตน ะ, ะแล้วก็เราก็ได้ อ, อ, อาศัยครูบาอาจารย์นี่เลยค่ะนะค ะ, นะคะ ก็นับว่าในยุคนี้เนี่ยเรายังโชคดีที่เราพบครูบาอาจารย์และท่านมีเมตตามากที่จะช่วยฝึกนะไม่ว่าจะมารูปแบบไหนท่านก็ยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะฝึกให้นะคะเราก็ได้พบครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะ แล้วก็เป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ได้พบหลวงพ่อมหานะะในครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่เราได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ชื่อว่าครุสติสถานขึ้นก็อุทิตจริงๆแล้วครั้งนั้นก็อุทิตแก่หลวงพ่อคำเขียนนะฮ ะ, ะแล้วก็พระอาจารย์หลวงพ่อมหาเนี่ยท่านท่านมีเมตตาท่าน ท่านมาจัดมาจัดระบบของการฝึกอบรมครูนะคะจริงๆที่เราตั้งชื่อว่าครูสติก็คือเออเป็นที่ฝึกสติให้ครูนี่ยค่ะคะือก็คือครูเนี่ยนะคะก็ตั้งใจว่าจะเทำอย่าง เ, เป็นระบบพระอาจารย์หลวงพ่อมหาท่านก็ได้เข้าใจตรงนี้เข้าใจเจตนาของเราแล้วก็ได้ช่วยเหลือทําให้เกิด ระบบของการจัดฝึกครูขึ้นนะะก็ทดลองกันอยู่หลายหลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะจนในสุดแล้วท่านก็ได้วางพื้นฐานไว้ให้แล้วก็ในขณะนี้เขารู้สติสถานนี่ก็ตั้งอยู่ใกล้ใก้โรงเรียนนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสบายะสำหรับการฝึกปฏิบัติที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เปิด ทุกเดือนนะคะเป็นประจำเพราะว่าท่านมาจัดไว้ให้อย่างสมหวงเสมอนะคะไม่ให้ขาดทุกเดือนในขณะนี้เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยสองรอบนะคะอย่างมากก็สี่รอบก็จะมีได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านลงไปช่วยนะคะเป็นผู้นำจิตวิญญาณให้เราะคะ เพราะนั้นก็ถือว่าสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ในใจของเราแล้วแล้วก็มันได้ทำให้เกิดศรัทธานะแก่ผู้คนต่างๆที่เข้ามาทำงานในโรงเรียนรุ่งอรุณก็ดีผู้ปกครองผู้ปกครองเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจแล้วเริ่มหันมาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น แล้วก็บุคลากราบุคคลภายนอกเราก็เปิดให้โอกาสที่จะเข้ามาร่วมศึกษาด้วยกันเพราะว่ า, าก็เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าบุคบุคคลภายนอกเข้ามาด้วยเนี่ยความหลากหลายก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เราได้เรียนรู้นะคะมากขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้าวางรากฐาน ของการปลูกศรัทธาให้เกิดแก่ชาวพุทธซึ่งอยู่ในเมืองนะะที่จริงแล้วเขาก็มีโอกาสน้อยที่จะได้สัมผัสสิ่งนี้นะคะได้สัมผัสการปฏิบัติธรรมนะพอเราทำให้เกิดความเป็นไปได้ง่ายขึ้นก็เป็นการสร้างโอกาสให้กันนะนี่นก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ได้ อ, อ เรียกว่าได้รับความเมตตาการุณาแล้วก็เป็นคุณอุปการอย่างยิ่งของพระอาจารย์ของพ่อมหาที่ท่านไปทำให้ให้เรามีกำลังใจด้วยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นระบบของการฝึกนะคะทีนี้ในการ เ, าเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะแล้วก็ คนในเมืองเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจว่าเป็นประชาชนกลุ่มที่ค่อนข้างจะยุ่งอยู่กับงานยุ่งอยู่กับครอบครัวยุ่งอยู่กับเรื่องทางโลกนะ เ, เขาก็จะมีโอกาสเข้ามาเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็ต้องกลับเข้าไปสู่เรื่องราวในทางโลกเป็นอย่างมากเพราะนั้น ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาที่จะมองเห็นแล้วก็ยืดหยุ่นให้กับความาที่เรียกว่าอาจจะไม่พร้อมมากนักนะคะของผู้ที่เข้าไปฝึกปฏิบัติแต่ถึงกระนั้นเนี่ย ก, ก็ได้ผลนะได้ผลไม่ใช่ว่ า, าจะ เ, าเป็นไปไม่ได้เลย พนั้นก็เป็นการพิสูจน์ทุท่านว่าไม่ว่าใครก็ตามจะมีโอกาสน้อยโอกาสมากหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่เอือ้อก็ยังสามารถที่จะเข้ามาสู่เวิถีของการเป็นชาวพุทธที่แท้ได้นะเรื่องนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่นั่นก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจนะแต่เมื่อหลวงพ่อมาหาท่านท่านมั่นใจ แล้ท่านก็ทําไม่ไม่เลิกนะฮะต้องเรียกว่าอย่างนั้นท่านขยันมากเราก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะขยันขนาดนั้นเพราะว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศสัประมาณครึ่งปีแล้วพอครึ่งปีก็อยู่เมืองไทยท่านก็ยังเจียดเวลาให้ที่จะทําให้กิจการของของคอร์สปฏิบัติธรรมที่พุทธสติฐานี่ยดําเนินไปได้นะคะถึงแม้ท่านไม่ว่างเองท่านก็จะแนะนํา ครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาให้วันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่หาได้ยากอีกอย่างหนึ่งว่าอคนอยู่ในเมืองจะมีโอกาสบ้างไหมนะ เ, เราได้พยายามดำเนินการเรื่องนี้มาเนี่ยนะคะก็พบว่าผู้ใหญ่เข้ามาปฏิบัติธรรม ที่เนี่ยเยอะถ้จริงนะคะแล้วก็เด็กอาจจะไม่มากนะเด็กนักเรียนอาจจะไม่มากนะแต่ก็คือเนี่ยแหละค่ะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของเด็กเพราะเมื่อผู้ใหญ่มาเริ่มที่จะเรียนรู้ฝึกหัดในการที่จะดูแลจิตใจตัวเองแล้วเนี่ยนะคะ <imiz. S 1> ก็ส่งผลไปถึงเด็กๆทันทีนะส่งผลไปถึงลูกหลาน แล้วก็บางครั้งนี่็เอก็จะล้อเล่นกับเขานิดหน่อยเช่นคนก็จะนิยมมาเข้าโรงเรียนดีมากเลยค่ะ <c oughs> เข้าคิวกันยาวเหยียดเลยนะะทุกปีนะคะปีนี้เนี่ยเราตั้งใจจะขายคือปกติเรารับได้ปีละร้อยคนในระดับอุบันาหนึ่งนะคะเราก็ไม่ค่อยอยากจะขายไปสมัครมากนะแต่ก็จําเป็นต้องขายไปทั้งหมด สี400่ร้อยใบนะสี่ร้อยใบนี้ก็มาแย่งเข้าคิวกันซื้อใบสมัครนะตั้งแต่ตีสี่แทนที่เราก็บอกว่าเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะนะ ก, ก็แสดงก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ไม่ใช่ว่าคนในเมืองรับไม่ได้นะฮแล้วก็บางคนก็จะมาฝากนะฮะฝากลูกฝากหลานโทรมานะเวลาเขาเราสมัครกัน นุ้นก็บอกว่าก็ฝากได้แต่ไม่รู้เข้าได้หรือเปล่านะนะคะแต่ได้ข่าวว่าถ้าพ่อแม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยลูกมักจะได้ก็ได้ให้อุบายเข้าไปนะลูกไปปฏิบัติจริงๆค่ะนะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นชุมชนที่เรียกว่าน้อมใจเข้ามาสื่เรื่องของการปฏิบัติธรรมได้นะ โดยเอาลูกเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป้าหมายหลักนะคืออยากให้ลูกได้เรียนที่นี่นะแล้วก็พ่อแม่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีชั่วโมงมาฝึกนะเราเรียกว่าห้องเรียนพ่อแม่สามสิบชั่วโมงนะคะถ้าใครไม่ฝึกอันนี้เนี่ยเราก็ไม่รับนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้โอกาสนะคะที่จะชักจูงให้เข้ามาก็เลยกลายเป็นชุมชนของนี้ คนปฏิบัติธรรมไปไกลๆนะคะเพื่อทฉันก็ลึกภูมิใจอยู่นาเราะว่าเราอยู่ในเมืองเราก็ยังพอพอจะออทำไหวนะคะเรื่องนี้ก็มีกำลังใจนะคะที่จะทำต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้บริหารเองนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่า ความศรัทธาเนี่ยมันจะส่งต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าผู้บริหารไม่ปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่คุณครูเองที่บุคลากรที่ผู้ปกครองเนี่ย <c oughs> เขาจะเชื่อถือน ะ, ะ <c oughs> สิ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องทำไปพร้อมๆกับเขาเน <c oughs> นั้นเองก็แม้ไม่ได้ไปที่ครูสติสถานทุกครั้งทุกคอร์สแต่ว่าเราก็ มีกิจกรรมประจำทุกวันศุกร์ทุกเช้าวันศุกร์ที่สถาบันก็มีสวดมนต์าวัดเช้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะ เ, เป็นเวลาตักประมาณสองชั่วโมงหลังจากสวดมนต์สุดแล้วนะคะแล้วก็มีการสนทนาทํธรรมอันนี้ก็ทำเป็นเป็นกิจประจำทุกเช้าวันศุกร์นะไม่เคยขาดแล้วตรงนี้แหละผู้ปกครองก็เข้ามาด้วยนะคณาจารย์ก็เข้ามาร่วมสึกด้วยนะ ก็เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างต่อเนื่องนะมีคนรุ่นใหม่ๆคนหนุ่มคนสาวที่เข้ามาทำงานอยู่ในสถาบันก็เริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าออที่นี่มีมีสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตเขาเนี่ยทุกน้อยลง น, นะมีความสุขง่ายขึ้นนะคะ คนหนุ่มคนสาวก็สนใจที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะบางครั้งก็เจียดเวลายากแต่ก็เริ่มรู้ว่ามันมีหนทางนะมันมีอีกทางหนึ่งนะที่ไปได้แล้วเราก็ประยุกต์ใช้นะคะแนวทางพุทธธรรมเนี่ยเข้าไปสู่ระบบของหลักสูตรเลยทีเดียวหลักสูตรครูเนี่ยโดยเฉพาะหลักสูตรครูเนี่ยเราจะใชใ้แนวทางนี้ลงไป ตั้งแต่เป้าหมายของหลักสูตรว่าต้องไปให้ถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะเราต้องสอนคนนะไม่ใช่สอนวิชาเราต้องสอนให้คนรู้จักพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของหลักสูตรแล้วก็ดังนั้นเนี่ยในรายละเอียดของหลักสูตรเนี่ยในทุกๆสาลาวิชา ไม่ว่าจะเป็นในระดับของมหาวิทยาลัยหรือในระดับของโรงเรียนก็ดีทุกๆระดับชั้นคุณครูจะเข้าใจว่าถ้าเขาไม่เข้าใจตัวเองว่าเขาสอนเรื่องนี้ไปแล้วทำให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เราจะยังบอกว่าคุณอย่าเพิ่งสอนเลยนะคะเพราะนั้น เ, เรื่องการตั้งเป้าหมาย การนำเอาคุณค่าแห่งชีวิตเนี่ยมาเป็นเป้าหมายชีวิตเป็นตัวตั้งของการเรียนนะจึงเข้าไปสู่ระบบอย่างชัดเจนแล้วก็เราก็ใช้นะคะวิชาของพระพุทธเจ้านะไปในกระบวนการทางเรียนรู้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการยานมิตรโยนิโสมนานสิกานะ ทำให้คุณครูเนี่ยเปลี่ยนท่าทีบุคลิกทัศนคตินะและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้เรียนเสียใหม่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้ส่งความรู้ให้แต่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นโค้ชนะเป็นขันยานมิตย์ที่จะแนะแนะถามให้กับผู้เรียนให้รู้วิธีเรียนให้รู้จาก ว่าตัวเองมีศักยภาพอย่างไรนะจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญแล้วก็สติปัฏฐานอันนี้ก็เข้าไปอยู่ในหลักสูตรด้วยเหมือนกันว่าถ้าหากว่าหลักสูตรไม่มีบรรจุเรื่องนี้นะเออก็ไม่น่าจะทำได้ถ้าหากว่าจะเอาชีวิตเป็นตัวตั้งในการ เป็นเป้าหมายสูงสุด ข, ของหลักสูตรแล้วก็พบว่าเรื่องของการเจริญสติการภาวนาเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ยอมรับได้ในวงการการศึกษาหลักสูตรของเราเนี่ยผู้สภาชอบมากนะถึงแม้ว่าเขายังไม่สามารถที่จะปรับระบบการประเมินผลของเขาเองให้สอดคล้องกับหลักสูตรของเราแต่ก็เป็นหลักสูตรที่เขาพอใจมาก และชอบมากและคุณครูที่มาเรียนมาฝึกกับเราก็กลับไปก็เป็นครูที่น่ารักหมดเลยลูกศิษย์รักหมดเลยนะคะแล้วก็ทำให้ลูกศิษย์เกิดชันท่ในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีน ะ, ะแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเราก็เผยแพร่หลักสูตรของเรานะะไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ก็กลายเป็นว่าเราก็ไปพบแวดวงผู้ปฏิบัติธรรมนะมีเครือข่ายที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิกเน็ตเวิร์ for holistic education ที่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมมากเลยบางทีเข้าใจมากกว่าคนไทยนะมีทั้งแคนาดาทั้งอเมริกาทั้ง ยุโรปนะทั้งทางด้านเอเชียมีแทบทุกประเทศนะไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเป็นเครือข่ายกันแล้วบางประเทศเนี่ยขยันมากเลยนะคะขยันที่จะศึกษาปฏิบัติเรื่องการเจริญสติที่เกาหลีเนะเพิ่งมาเยี่ยมลงเรียน ล, ลุงอรุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาตั้งสถาบัน ะะชื่อสถาบัน m มน d ฮ u แมน i ิตี้นะคะพัฒนาจิตนะคะจิตแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะนะค ะ, นะคะแล้วเขาก็มีเจตนาลมที่สูงมากเลยคืออยากจะเป็นอยากจะเป็นฮับของเรื่องการเจริญสติโอ้เราก็รู้สึกว่าเขาก็ไปไกลมากเลยนะคะแต่ก็ดีเราก็ได้เห็นว่าแวดวงของผู้คนที่สนใจในเรื่องนี้มีมาก แล้วก็เข้าไปสู่ระบบการศึกษาสมัยใหม่ด้วยนะเคยเล่าให้หลวงพ่อมาหาฟังท่านสนใจแล้วก็ที่จริงเนี่ยท่านตั้งใจว่าจะเข้ามาร่วมประชุมเพราะว่าเครือข่ายนี้จะจัดประชุมทุกปีแล้วก็ประเทศที่เป็นเจ้าภาพก็สลับกันไปนะปีที่แล้วพฤศจิกายนเราเป็นเจ้าภาพค่ะสถาบันอาสศิลป์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะปีนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ เราก็จะสลับผลัดันไปก็อยอนเสียดายว่าที่จริงเรากออ็ตั้งใจมากเลยว่ายัางไงเสียเนี่ยเรามีภูบาอาจารย์เนี่เราก็จะต้องให้เรื่องนี้เนี่ยอยู่ในเวทีที่เป็นทรรการให้ได้นะคะแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะถึงแม้ว่า เราจะมีบุญได้พบท่านเพียงเท่านี้แต่สิ่งที่ท่านทําไว้เนี่ยก็เป็นแรงส่งนะมหาศาล ท, ที่ที่ที่ทําให้เรามั่นใจว่าอืมเรื่องนี้เราไปได้อีกไกลนะเพราะว่าท่านเองท่านก็ไปต่างประเทศบ่อยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ต่างประเทศท่านก็มีนะคะกลุ่ม um <c oughs> ที่มาประชุมเนี่ยนะที่มาจากแคนดามาจากเพื่อนต่างเคยมาฝึกปฏิบัติกับท่านมหาครั้งหนึ่ง ที่ลงลุงนะฉนั้นเคยแนะนำท่านนะคะแล้วเขาก็เข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าจากสิ่งที่หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากครูบาอาจารย์หนึ่งท่านเนี่ยมีมีผลมหาศาลนะคะไปสู่ผู้คนลูกหลานเจเนเรชันต่อต่อไป มากมาทีเดียวเราก็จำเป็นแล้วก็ยินดีมากที่จะสานต่อเรื่องนี้นะให้แข็งแรงขึ้นนะคะมั่นคงขึ้นอันนี้เป็นเป็นความตั้งใจนะคะเพราะนั้นในส่วนตัวเองเนี่ยเก็ได้ระลึกเสมอว่าก็จะต้องพัฒนาตัวเองน ะ, ะถ้าเราจะทำสิ่งนี้ได้เราก็ต้อง เห็นท่านเป็นแบบอย่างพัฒนาตัวเองเห็นท่านเป็นแบบอย่างนึกถึงทีไรก็เห็นท่าที่ท่านหัวเราะหัวเราะนะคะยิ้มยิ้มแล้วเวลาที่สอบอารมณ์เราท่านก็จะยิ้มยิ้มแล้วก็บอกเราอย่างขาขำมานะคะก็เป็นท่าทีที่ทำให้เรานึกถึงท่านทีไรก็เห็นภาพนั้นทุกทีก็มีกำลังใจนะคะเอ่อ ในช่วงเวลาของร้อยวันเนยนะคะที่ได้มีการปฏิบัติเจริญส ต, ติเนี่ยดิฉันเองก็พยายามพาตัวเองให้เข้าไปได้โอกาสที่จะฝึกตัวเองนะคะพยายามพึ่งพาตัวเองในการฝึก็ไปเก็บอารมณ์บ้างอะไรบ้างเป็นระยะระย ะ, ะก็ยิ่งมั่นใจนะก็พบว่าเราก็น่าจะ มองเห็นท่าที่จะขึ้นอยู่บ้างเหมือนกันล่ละค่ะแต่ยังขึ้นไม่ถึงท่า <laughs> เพียงเดียวว่าเห็นและท่าอยู่ตรงไหนนะะแต่อาจจะยังต้องหลงละเหินอยู่ในกระแสของนะะในสาคลกว้างใหญ่นะคะแล้วก็บางครั้งก็เฉียดเฉียดท่าอยู่เหมือนกันนะะก็ทำให้คิดว่าเอาละ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตที่จะต้องสำคัญก ว, กว่างานทางที่ต้องจัดการต่างๆเนี่นะคะเรื่องนี้สำคัญกว่าแล้วก็จำเป็นมากกว่าน ะ, ะเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตไม่ยืนยาวแน่ น, นอนนะคะเวลาเราเฉียดท่าทีไรนะเราก็รู้ทันทีเลยนะว่าถ้าเราพลาดเนี่ยเราสร้างคบสร้างชาติตรงนั้นเลย เห็นกันชัดๆเลยนะคะเอโอ้ประมาณทีไรสร้างพบสร้างชาติทุกทีเลยนะประมาทอะไรประมาณให้จิตเนี่ยมันหลุดลอยเข้าไปอยู่ในเนียความหลงในความหลงจะหลงด้วยอะไรก็แล้วแต่มันหลุดเข้าไปนะถ้าเราประมาณปุ๊บเราไม่ทันก็หลงทันทีนะคะ เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทา้าทายตัวเองว่าภาคหลังๆนี่เราเราต้องต้องดูครูบาอาจารย์ว่าเอ้ท่านทำไมท่านเข้มแข็งจังเลยนะทาไมท่านเข้มแข็งมากเลยนะแล้วอย่างคนที่ต้องเผชิญการทำงานในทางโลกเยอะๆเนี่ยนะคะพอเราเอามาเป็นข้ออ้างหาีไรครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าก็นั่นแหละ โจทย์นั่นแหละดีแล้วนะคะโจทย์นั่นแหละมันท้าทายอ่ะดีแล้วนะคะตรงนั้นแหละคือที่ที่ต้องปฏิบัตินะคะดังนั้นก็ยังพลาดอยู่แหละก็ <c oughs> ยังมีพลาดอยู่แหละนะคะไม่ใช่ว่าจะเ อ, อทันเสมอไปนะเราก็ได้เห็นช่วงช่วงที่ผ่านมาใกล้ๆเนี่ยได้เห็นชัดมากว่า โอ้โหพอเราหลงไปในความคิดปุ๊บเนี่ยทุกทุกมันเกิดทันทีเลยนะทุกมันเกิดแล้วบางทีเราก็ไปโกรธทุกนั่นเองนะ <c oughs> ไม่พอใจแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไทยไปเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนเป็นเหมือนเราเรามีความละอายมากขึ้นเรามีฮิลิโอตปาเราละอายที่เราหลงอืม ไม่ไม่ไมกดนะแต่รู้สึกลายในครั้งแรกๆที่รู้สึกลายมันจุกเลยล่ะมันจุกเลยนะอืออ๋ อ, อโอเคโอเคนะจุกแล้วได้แล้วได้จุกแล้วนะจะแล้วก็ต้องต้องค่อยๆปฏิบัติไปค่อยๆสํารวมใจสํารวมใจให้เป็น แล้วไม่ไม่ปล่อยให้ใจมันไปไปก้าวไก่กับอะไรมากนะักนะไม่งั้นมันเบียดเบียนมันเบียดเบียนอย่างเห็นได้ชัดทุกมันก็เกิด ท, ทันทีนะคะเพราะฉนั้นก็สิ่งที่เรียกว่าคําสอนเนี่ยก็จะขุดขึ้นมานะคําคสอนของพระพุทธองค์ก็จะขุดขึ้นมา ท, าทันทีอ่ะนี่ไงเห็นไหมเหตุแห่งทุกเนี่ยนะ เหตุแห่งทุกเนี่ยเราล่วมรู้แล้วว่ามันมีเหตุแห่งทุกแน่นอนนะคะแล้วก็ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนนะที่จะสร้างความแข็งแรงของสติสัมปชัญญนะให้อยู่กับเราทุกครั้งที่ที่เราไปปฏิบัติแล้วก็ อได้ได้เรียนรู้ได้พัฒนาตรงนี้นะ่ย <_ d ata> เมื่อกลับออกมาเนี่ยเราก็จะพบว่าอ่ะเราก็กลับทํางานได้ดีขึ้นนะ <_ d ata> ถึงแม้มันจะยุ่งจังเลยวันวันหนึ่งเนี่ยนไม่รู้กี่ประชุมเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่แวดล้อมอยู่ค่อยๆสังเกตนะว่าทําไมอาจารย์ทํางานได้เยอะจังเลยนะทำได้ไงก็เป็นประสิทธิภาพที่แม้ ในชีวิตปกติของความเป็นฆลาวาสก็ยังได้อานิสงส์เยอะทีเดียวนะแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหลงอยู่ตรงไหนเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าหากว่าเรายังไปไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวเราก็อยู่เทิร์นกลับไปที่เดิมนะหลงไม่ได้ก็ได้จะบอกตัวเองว่า สิ่งนี้ยเราต้องรีบบอกให้น้องๆนะให้คนที่ตามหลังเรามาเนียได้รู้ได้เข้าใจว่าทุกคนทําได้นะทุกคนทําได้นะปฏิบัติธรรมอย่าให้ยากนะอย่าให้ยากปฏิบัติให้ง่ายให่ง่ายให่ง่ายก็คือมันไม่ต้องพอใจหรือไม่พอใจอ่ะนะอันนี้มันจะง่าย ก็เคยเคยหลงมาแล้วเคยพลาดมาแล้วนะทั้งทั้งพอใจและไม่พอใจนี่แหละนะคะแต่พอเราจับจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยมันค่อยยิงชั่วขึ้นมันค่อยค่อยยิงชั่วขึ้นแล้วก็รักรักที่จะปฏิบัติมากขึ้นนี่ฉันก็คิดว่ามันมีสองเป้าหมายว่าเราทำ ให้ตัวเราเองเนี่ยนะเข้าใจแล้วที่ว่าทําไมเราต้องต้องทําให้ตัวเราเองซะก่อนทําให้ตัวเรามันมันลดน้อยเหลือน้อยที่ที่สุดหรือซะก่อนเราถึงจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากนะตรงเนี้ยเข้าใจแล้วแต่ถ้าหากว่าเรายังตัวใหญ่อยู่นะ เราก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นน้อยเนา ะ, ะก็ได้รับความเข้าเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเองโชคดีนะคะที่ยุคนี้ยุคสมัยนี้เรยมีเทพคำสอนนะนี่ก็ได้ใช้นี่แหละคำของครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นเป็นเครื่องนำทางในเวลาปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา เรายังโชคดีที่เรามีสถานที่เรายังโชคดีที่มาที่เรายังมีสังฆะแบบที่นี่น ะ, ะเรายังโชคดีที่เรายังมีแบบแผนน ะ, ะที่ทําได้ง่ายๆที่เอื้อเอื้อโอกาสให้กับเราะะแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะเลือกใช้โอกาสเหล่านี้หรือว่าได้ประโยชน์จาก ความโชคดีของเราไปสู่เส้นทางที่ที่ถูกต้องแทนที่จะยังหลงอยูนะ่ก็เป็นเครื่องที่เตือนใจนะว่ า, าแม้แต่ภูบาจารย์เองอย่างหลวงพ่อท่านก็ในที่สุดเนี่ยนะเราก็ไม่ได้มีเวลานานมาก มากดักในชีวิตนี้เพราะนั้นก็ทุกขณะขณะปัจจุบันทุกขณะมีความหมายหมดนะก็ท้าทายเรานะเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็ผ่านขณะปัจจุบันเยอะมากเลยมันก็ท้าทายเราว่าเราใช้โอกาสนี้ถูกต้องหรือเปล่า ใช้เพื่อรู้ไหมขณะปัจจุบันของเราหรือมันเป็นความหลงไปหมดนะคะสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะสิ่งที่คิดว่าน่าจะทำต่อไปเนี้นก็ต้องกราบเรียนถามพระอาจารย์หวงสิงป์เหมือนกันน ะ, ะว่าท่านมีทางลัดมากกว่านี้ไหมคะ <laughs> ช่วยบอกท่านดีเพราะว่าท่านเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน่ะทําได้นะแต่ว่าจะทํายังไงอ่ะให้ให้เร็วกว่านี้อโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในเมืองน่ะนะที่จริงเขาก็เรียนรู้ได้นะจะทํายังไงอ่ะให้เร็วกว่านี้ก็อยากจะลองมาฝึกกับท่านนะฮะมาฝึกกับท่านแล้วก็ได้ คืออยากจะได้ครูบาอาจารย์เป็นเป็นที่พึ่องอะเป็นที่ปรึกษาว่าอ่ะทำไงดีหาวิธีการที่คนรุ่นใหม่เขาจะเขาจ ะ, ะไปได้ง่ายๆคือไม่ต้องเป็นการปฏิบัติแบบแบบทุกยากมากอะนะเป็นปฏิบัติแล้วง่ายอยนี้นย่าน้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีไหมนะแต่ก็ จะต้อลองพยายา ม, มาลบกวนท่านนะ <c oughs> พาไปรรมญาตราเขาไปนะเด็กๆที่โรงเรียนก็ไปธรรมญาตราทุกปีนะ อ, อแต่ไม่ได้ไม่ได้ธรำรญาตากับพระอาจารย์หลวงสิลป์เพราะว่าของท่านจะค่อนข้างจะหนักอยู่ไปกับพระจาจารยไพศาลนักเรียนเนี่ยไปได้ทุกปีแล้วก็ พามีชมรมพ่อแม่พานักเรียนไปบวชที่อินเดียทุกสองปีนะมีผู้ปกครองบวช ด, ด้วยบางครั้งนะเราก็พยายามทางผู้วิถีทางเลยนะที่จะชักจูงแล้วก็สร้างศรัทธาแล้วก็จะมาสุดท้ายเนี่ยเมื่อเขาศรัทธาแล้วเนี่ยยังไงต่อดีคะจะพาเขายังไงต่อดีนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ ที่ตัวเองเขาคิดแล้วก็อาจจ ะ, ะรู้สึกว่าถ้าเราสติปัญญาบารมีเรายังไม่มากพอเนี่ยเราอาจจะอาจจะยังทำเองไม่ได้เนียต้องอาศัยผู้บาอาจารย์ช่วยนะคะก็ดีฉันอาจจะเข้าใจผิดบ้างนะคะอาจารย์ช่วยเตือนด้วยว่าปฏิบัติอย่างง่ายมันน่าจะมี <laughs> ให้ต้องปฏิบัติอย่างยากดิฉันยังปฏิบัตินานมากเลยใช้เวลานานนานอยู่ตั้งหลายปีใช้เวลานา น, านมากเลยจะเรียกว่าตั้งแต่ถ้าจะนับจริงๆพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเนี่ยที่ปฏิบัติมาเรื่อยๆนะคะก็ยี่สิบี่สิเ็ปีแล้ว ยี่สิบนะยี่สิบกปีแล้วก็วนี่แหละก็ยังยังรู้สึกว่าอืมมันนานไปไหม <c oughs> ถ้าเยอะกว่ น, นี้มีไหมนะแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆน่าจะได้โอกาสที่ดีกว่าทนไหมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังทำงานนะเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะั้นก็คิดว่าเอ๊ะคนยุคใหม่นี้น่าจะ ต้มีนะมีทางรัดแต่เราก็ลองดูทุกเวทีเลยว่าเขาทํากันยังไงต่างประเทศทําไงแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยก็มีข้อแตกต่างนะคะเขาก็ไม่ค่อยเข้ามาลึกถึงวิปัสสนาเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะพอใจตรงที่ว่าเขาได้ความสงบนะได้ความสบายนะได้ความรู้สึกความรักความเมตตาเกิดขึ้นในใจนะอันนี้ก็เป็น เป็นความรู้สึกที่ที่เขาเขาคิดว่าอันเนี้ยมันมันมันพอล้นะมันพอใช้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจอยู่แค่นั้นนะคะเราก็ต้องไปให้ไกลกว่า น, นั้นนะแล้วก็ถ้าจะสึ่อพระศาสนาได้จริงเนี่ยก็คงจะต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องมดเข้าใจเรื่องนี้จริงๆอะ่ะนะไม่งั้นชาวพุทธนี่ก็จะเป็นชาวพุทธไม่แท้ เพราะว่ายังไม่รู้จักพุทธว่าคืออะไรนะก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นชาวพุทธที่แท้ค่ะถ้าท่านไหนคิดวิธีออกช่วยบอกท่า น, นด้วยนะเวศศีรุยช่วยด้วยนะบอกตอนนี้ได้หมครับมีมีนำเสนอท่าเอ่อทิมลัดรัดครับพยายามนำเสอนอเรื่องนึง ไ, ได้ไหมได้ค่ะอ่าอันนี้คือธงสองมือันนี้คือธม ท, ที่เราตั้งท่าเนาะ อันนี้ชื่ว่าธงเดียวตั้งคาดบรรลุนะคือจะไปขึ้นทา่าแล้วก็ถอนทา่าอันนี้รักที่สุดอะในเนื้อหาจริงเนี่ยมันไอ้ทั้งท่าทั้งอะไรเนี่ยเราไปตั้งคงเราก็ถอนธงเมื่อถอนตันหาความอยากไปทา่ามันก็จบค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวจะลองไปถอนถอนท<อ>่าไหาะคะส่วนลดไม่ถอน คือคือถอนตัณหาหมดถอนท่าทั้งหมดเลยได้ค่ะถอนท่าแล้วก็จบเลยใช่ค่ะครับดูน่าจะใช่นะคะถอนตัณหาให้หมดแต่ตอนทําไม่ง่ายใช่ไหมฮะคออนุญาตนะครับถ <c oughs> อนท่าเนี่ยไม่ใช่การทําหรือไม่ทํามันคือความเข้าใจแล้วจบเลยแต่ถ้าไปทํามันคือความพยายามความพยายามมันคือตัณหาคือเนื้อหาของทุกข์ก็เจรินสมุทัยสอนนั่นเอง จริงๆแล้วมันเฉียบนิดเดียวนะจริงๆมันหลอกมันตัวหลอกมันหลอกตั้งแต่แรกเราไปทาาํทาเบาๆแต่ว่าหลวงพ่อเตรียมชายเคล็ก็ับว่าซื่อๆไงตัวซื่อคื อ, อการถอนท่าคือไม่บรรลุหรือไม่บรรลุเลยซื่อๆไปเลยแล้วเมื่อซื่อๆท่าบรรลุก็ปรากฏมันก็จบอันนี้คือขอแนะนำเสนอที่รัดซันขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะค่ะดีค่ะน่าสนใจค่ะ มีมีท่านอื่นอีกไหมคะอยากร่วมนำเสนอไหยคะยังไม่มีนะค ะ, อะเออขาขอการโยมเขากาไวิท้าตอนนี้โยมเขาบอกพูดได้ใช่ไหมได้ค่ะพูดอยู่คนเดียวก็คงจะง่วงค่ะ <laughs> ในความหมายของโยมว่ามีทางรัดไหม ในสายลมตะเทียงใช่ั้ยใช่ค่ะแสดงว่าโยมก็เห็นทางแล้วถูกไหมก็เห็นทางอยู่ค่ะแต่ก็อยากให้คนอื่นเขาเห็นง่ายๆนะโอง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วคือมันต้องผ่านนิวรทุกคนนะวิธีของลมตะเทียงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วรัดสั้นตรงใช่ค่ะ ก็ย so, e. ังไม่เ ah, ห็นว <gun> ิธีไหนในในประเทศไทยและในโลกที่จะรัดสั้นตรงเท่านี้อีกไม่ไม่มีรัดกว่านี้อีกแล้วนี่รัดแล้วจริงจริงรัดแล้วค่ะแสดงว่านใจร้อนเกินไปคือห่วงห่วงคนรุ่นใหม่เนาะ อ๋อเองนิดนึงออย่างนี้แต่มันมีเทคนิคที่ทําว่าไอ้ที่มันยากยากเนี่ยให้มันไม่ยากคือให้โยมเนี่ยคือหรือใครก็ได้ที่ปฏิบัติสายหรือ ว, ว่าเทียนนี่นะอย่าอย่าคิดว่าเราปฏิบัติงะถ้าเราคิดว่าปฏิบัติเนี่ยเราลงมือปฏิบัติสมมุติว่ามาเข้าคอร์สเจ็ดวันเราต้องปฏิบัติให้มันได้อย่างนี้ยากค่ะแต่ว่าถ้าว่าเราทําเหมือนกับมันเป็นเป็นหน้าที่อย่าง มันจะง่ายใช่คือทําทุกวันใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยอันนี้คือมันไม่ใช่ทางรัฐแต่ว่ามันเป็นเทคนิคค่ะที่จะทําให้เรามันไม่ยากมันไม่ยากเพราะเราทําทุกวันเนี่ยทําทุกวันใช่ค่ะแต่มันยากเพราะว่าเราทําแล้วเนี่ยพอมันได้แล้วเนี่ยมันกลับไปอีกมันมันกลับไปที่เดิมที่โยมพูดอ่ะค่ะมันเหมือนขึ้นเขาอ่ะพอขึ้นไปเราขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นไปแต่มันยังไม่ถึงยอดเขาใช่ไหมค่ะพอเราหยุดมันก็ลงมาอีกแล้ว ใช่แต่ถ้าเราทําเรื่อยๆเนี no ่ยมันจะมีแต่ขึ้นมันไม่มีลงนะก็ก็เข้าใจนะเข้าใจนะนะขอบพระคุณนะค่ะเข้าใจค่ะเจไดก็ถ้าเนี่ยก็หวังว่าเนี่ยคงจะไปบอกเขาอย่างนี้นะคะเากันคือบอกยังไม่ได้มันต้องมีโครงการอยู่ะมันต้องมีโครงการเริ่มมีโครงการ อาจจะเป็นโครงการอะไรนะอุบาสุบาสิกาใจเพชรคที่ที่ว่าเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอารมณ์มากมายใช่ไหมในข้างนอกอ่ะใช่ค่ะถ้าใจไม่เพชรนี่ไม่แข็งจริงนี่ทำไม่ได้ไงหมายถึงว่าปฏิบัติจริงค่ะตรงนี้จริงเลยเนี่ยเราต้องมีโครงการแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มนี้่กลุ่มกลุ่มกลุ่มอบาสุบาสิกาใจเพชร อุบาสกอุบาณิกาใจเพชรอันี่คือเป็นเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นไกลไลน์แต่ว่าโยมจะเป็นชื่ออื่นก็ใช่ค่ะเนี่ยนวดเข้าท่าดีค่ะใช่ไหมได้ค่ะนี่แหละแล้วอันนี้เนี่ยแล้วแล้วพระอาจารย์จะไปช่วยไหมคะยินดียินดีโอเราขอบคุณค่ะเราขอบคุณค่ะจะได้มีคอร์สนี้เลยอ่ะ เท่าที่ขออ่านเท่าที่เท่าที่อาตมาผ่านมานะส่วนมากเนี่ยที่อาตมาสอบถามว่าทำไมปฏิบัติธรรมถ้าไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าคือก็ทําในคอร์สแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสายนี้เท่านั้นทําในคอร์สแล้วเนี่ยแล้วเขาก็พอออกจากคอร์สเขาก็ทิ้งเนีไงซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าเขาได้สะสมมาแล้วอ่ะมือนก็ว่าเอาออกการน้ํานี่ยตั้งบนนาบนบนบนเตาแล้วมันร้อนแล้วอ่ะแล้วแล้วลงอ่ะ อย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วถามว่าเมื่อไหร่อะมันจะถึงเมื่อไหร่มันจะเดือดเมื่อไหร่มันจะเดือดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคคือกิเลสเนี่ยแบงค์กษณะแบบนี้ดิฉันเข้าใจเนี่ยเพราะว่าตัวฉันเองนี่ยก็ได้แต่ตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จะดีใช่แต่พอเราออกมาเนี่ยถ้าเราไม่จิตใจเราสติเราไม่แข็งแรงจริงเนี่ยนะคะมันจะ มันจะถอยอ่ะมันจะถอยลงมันจะจางลงมันจะจา ง, ลงแล้วก็ไอ้ความที่เราจำสภาวะนั้นได้เนี่ยมันจะค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปทีนี้พอเรามาเริ่มว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราพยายามเก็บทุกทุกโอกาสที่เราระลึกขึ้นมาได้นะมันก็จะดีขึ้นก็ดีจริงแต่ว่าแต่ว่า มันยังขาดการทําในรูปแบบไม่ได้ใช่ค่ะมันก็ต้องสลับกันพอดีมีโยงเขาพูดเปรียบเทียบได้ดีนะคือก่อนที่เราจะทําคือเขาบอกว่าไอ้การทําในรูปแบบเนี่ยเหมือน ก, นกันกับทางหลักถนนหลักไอ้ที่เราทํานอกรูปแบบเนี่ยเหมือนถนนซอยถ้าถนนหลักเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเนี่ยมันจะเข้าถนนซอยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การทําในรูปแบบทําไมทํานอกรูปแบบหลายคนทำมาเป็นสิบสิบปีทําไมมันจึงไม่ดีทําไมมันไม่ไม่ชัดเจนเหมือนในรูปแบบคเ <c oughs> <Yeah, S 1> พราะว่าเราทําในรูปแบบเนี่ยมันชัดเจนเสร็จแล้วเอาไอ้สภาวะที่ยมจําได้เนี่ยไปทํานอกรูปแบบว่าต้องทําแบบนี้คพ <c oughs> อทําแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้ก็ทําในรูปแบบอีกเพื่อให้ได้สภาวะนั้นแล้วไปทํานอกรูปแบบจําได้นแเราไปทำํำ <c oughs> เนี่ยท <c oughs> ําสลับกันไปสลับกันไปนั่นก็เห็นด้วยค่ะ ดนั้นอยากเรียบเทียบว่าตอนไปปฏิบัติแล้วทําในรูปแบบปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันเหมือนเราเราไปทําจนถนนเรียบอะค่ะท่านใช่มันเรียบมันก็เดินได้แต่พอออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีถนนมันไม่เรียบค่ะมันมีหลุมบ่อเยอะค่ะแล้วพอเราบางทีเราตกหลุมอะค่ะบางทีเราตกหลุมแล้วเราข้ามไปไม่ได้อย่างนี้นะคะเราก็มาเจอถนนขรุขระมากมาย โยมรู้ไม่ว่าทําอะไรขึ้นมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าความรู้สึกตัวมันไม่มีกำลังมันพอมันไม่พอไม่พอมันไม่พอแต่บางครั้งพอพอเราเริ่มรู้รู้อันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพอทันแ่ะสติเราพอเราก็จะโอเคแต่ก็ดีกว่าเดิมเพราะว่าก็การที่โยมรู้ว่ามันตกตกหลุมอะไรเงี้ยแสดงว่าโยมมีปัญญามากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็พอเห็นพอเห็นแล้วก็ใช่ไหม รู้อ่า อ, อ๋อมันต้องกระโดดไปเลยมันต้องมันต้องไปเลยมันต้องข้ามไปเลยใช่ใช่นั่นแหละก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะงั้นเรียนคอสนหน้าเรียนที่บนเห็นะคะโอ้วันนี้มาโชคดีมากเลยค่ะก็กเป็นเรื่องสนุกนะคะที่จริงการปฏิบัติทําเป็นเรื่องสนุกนะนี้แล้วก็อยากให้ เนี่ยเขาพยายามหลอกล่อพ่อแม่ผู้ปกครองรุ่นใหม่เขาเป็นคนรุ่นใหม่นะที่จริงตอนนี้ผู้ปกครองที่เอารูปมาเข้านี่เป็นรุ่นลูกศิษย์อืราะ น, น, นั้นเด็กๆที่มาเข้านี่ก็เป็นหลานศิษย์นี่ก็เป็นอาจารย์ยายแนละ้วรุ่นนี้แนละ้วเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ดั่นั้นว่ า, น, าน่าจะลองเอาโครงการนี้ไปไปทดลองนะพ่อแม่ใจเพชรดีไหมคะ <laughs> พอแม่ใจเพช น, นะฮะค่ะฉันคิดว่าคงจะพอสมควรค่อนยากกาันค่ะเจนค่ะจางแค่ขอเสนอความเห็นนิดนึงนะค ะ, คะจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ว่าเคยมีประสบการณ์ตอนสมัยเรียนหนังสืออยู่เนี่ย อ, อยู่ในกลุ่มชมรมพุทธที่มหาลัย ก็จะมีการจัดสนทนาธรรมตอนเย็นอย่างเช่นอาทิตย์ละสองครั้งแล้วมันมันมีความรู้สึกผูกพันจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มก็ยังมีเมื่อไรประภาพิจกับเมืองไทยก็จะต้องมีรีวิเนียนอะไรประเภทเนี้นะคะคือมันมันเหมือนกับว่ามันเจาะใจกันอะแต่ทีนี้สังคมในกรุงเทพเนี่ยถ้าจะให้มาเจอกันตอนเย็นนะคงจะยากก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้โซเชียลมีเดียคือใช้กลุ่มไลน์โทรหากัน จัดเป็นสนทนาธรรมในช่วงอะไรช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยให้เขาเอคุยออกมาเป็นลักษณะพูดคุยมากกว่าที่จะเป็นรูปแบบ<ด>ว่าไปทําการบ้านอะไรกันมาอาทิตย์นี้ประสบ ป, ปัญหาอะไรลูกมีปัญหาที่ไหนหรือว่าการงานที่ไหนเกิดอะไรเงี้ยแล้วใจตกหรือว่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยหาเจออุปสรรคแล้วในกลุ่มก็จะมาช่วยกันแก้นั่นคือเป็นลักษณะที่ตัวเองได้เรียนรู้มาสมัยเป็นนักศึกษาแล้วก็รู้สึกว่า ซาบซึ่งในบุญคุณของพวกพี่ๆที่ช่วยกันประคับประคองกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ลดการเดินทางแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังแนบอยู่กับกลุ่มตลอดเวลาแล้วก็เอเป็นแบบที่ไม่ไม่ไม่เป็นทางการนะค ะ, คะดีค่ะเพราะฉนั้นก็คิดว่าเห็นด้วยลูกลูกที่จริงลูกสาวมาด้วยลูกสาวจะบอกแม่แม่ทํารายการตอบ ถามตอบก็ปกครองดีกว่าค่ะ <c oughs> น่าจะเป็นวิธีรับอีกวิธีหนึ่งนะคะค่ะไม่ <ขอ S 1> ไม่ไมีอมขออนุญาตนะคะอาจารย์เชิญค่ะไม่มีข้อเสนอเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่ามีมีคำถามอะคะ่ะอยากขอเรียนอาจารย์ช่วยขยายความเพิ่มคือจริงๆแล้วทราบว่าหลวงพ่อมหานั้นเป็นผู้หนึ่งที่สนใจเรื่องการนำเรื่องของ การเจริญสติเข้าไปสู่ระบบการศึกษาค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็ร่วมกับอาจารย์ด้วยเลยอยากจะขอว่าอาจารย์ช่วยขยายปฏิปทาหลวงพ่อต่อเรื่องการนําเรื่องการเจริญสติเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือว่าทําอย่างไรให้สังคมไทยมีมีเรื่องของการเจริญสติมากขึ้นเข้าใจว่าท่านคงจะได้มีอากาสโอากาสแลกเปลี่ยนกับอาจารย์หลายครั้งอยู่ค่ะค่ะที่จริง หลวงพ่ามหามีโครงการตั้งหลายโครงการนะฮะที่ยังไม่ได้ทำนะที่ปลารกเอาไว้ที่อยากจะทำในเรื่องของโรงเรียนในระดับโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนที่ท่านไปสัมผัสแถวๆนี้ก็มีอะก็มาชวนกันว่ามาช่วยกันลงไปพัฒนาให้เป็นแนวทางของการทำโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วท่านก็จะถามอยู่เสมอว่าตอนนี้เราไปทําร่วมกับโครงการเรียนวิถีพุทธอื่นๆอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เล่าให้ท่านฟังอย่างล่าสุดนี้เราก็ไปทําวิจัยกับโรงเรียนวิถีพุทธยี่สิบกว่าแห่ง น, น ะ, ะ เ, เพื่อที่จะพัฒนาเขาให้ให้เข้ามาถึงการเนี่ยค่ะแม้แต่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะคะ เ, เพราะว่าโรงเรียนวิถีพุทธส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ เ, เขาก็มีพิธีกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามขนบเนี่ยนะคะตามวันสาคัญตามประเพณีตามขนบทั้งหลายแต่ว่าเขาก็ยังแยกเป็นกิจกรรมวิธีพุทธแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่พุทธละนะคะไม่ทราบเข้าใจไหมนะคะเพราะว่าเขาไม่ไดเอาเข้าไปในหลักสูตระะเราก็พยายามไปบอกเขาว่าที่จริงมันอยู่ได้ในทุทกเรื่องนะคะหลักของ พุทธเนี่ยถ้าหาว่าวางเป้าหมายไว้ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้สอนวิชานะเราสอนคนนะเราเอาชีวิตเป็นตัวตั้งนะเราไม่ได้เอาคะแนนสอบเป็นตัวตั้งนะอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็โรงเรียนที่ทําวิจัยด้วยกันก็มีผลปรากฏออกมาค่อนข้างดีแล้วเราก็เราก็พบว่านวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยนะคะแท้จริงแล้วก็รวงลงอยู่ในวิธีพุทธนี่แหลคะค่ะไม่ได้ไปไหนมากกว่านี้หรอกคะ่ะนะคะแล้วทําแล้วก็ จะไปใส่ชื่ออะไรก็แล้วแต่จะไปเรียกว่าเป็น PLC ที่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันนะฮะ Professional Learning Community หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปจากหลักของเรานี่แหละที่เรียกว่าแม่นที่สุดแล้วนะโรงเรียนวิธีพูดที่ทําด้วยที่มีโรงเรียนที่เก่งๆมากๆอยู่สองโรงเขาก็กําลังจะขยายผลเองแล้วนะเขาจะไปหาโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ต่อนะอย่างนี้เป็นต้น หลวงพก็จะถามเรื่องนี้อยู่เสมอแล้วก็จะช่วยกันช่วยกันมองช่วยท่านท่านจะช่วยแนะนําช่วยเ อ, อ, เ อ, อแล้วก็พยายามจะสร้างโอกาสว่าเราจะไปทําตรงไหนได้อีกนะคะแต่ว่าที่แม่นๆเลยก็คือท่านพยายามสร้างหลักสูตรครูสตินะคะครูสติครูมีสติเพราะฉนั้นที่โรงเรียนลุงอรเนี่ยก็จะใช้คํำนี้เรียกว่าครูสตินะคะ เอ่อไม่ฟู e ดที e เเป็นครูสติคือครูที่มีสตินะคะก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงอะไรแล้วก็มีวิธีฝึกท่านก็จะมาคิดว่าใช้คอร์สอย่างนี้นะแล้วก็จะมีอย่างเนี้ยคะ่ะพอพอแต่ละวันเนี้ยท่านก็จะพาสนทนานะคะพาสนทนาตอนเย็นแล้วก็ เหมือนประเมินผลแล้วท่านให้ทําประเมินผลทำกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทเหมือนเหมือนประเมินผลการเรียนนะมีการเขียนมีการทําประเมินผลแล้วก็เอาผลที่บันทึกมามาวิเคราะห์กันว่าออมีความก้าวหน้าไปในกี่กลุ่มนะฮะกลุ่มที่แตกต่างกันในกี่กลุ่มอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีค่อยๆเสริมเขายังไงอะไรเงี้ยก็ทํากันอยู่พักหนึ่งทีเดียวนะะ แล้วเราก็เได้เอามาใช้ก็เอามาใช้ให้ให้เอไม่ไม่ได้เป็นแบบแผนมากนะักก็คือใช้ให้อยู่ในวิถีของเราในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่าในทุกสัปดาห์เนี่ยั้ครูทุกระดับชั้นเนี่ยจะต้องจับชั่วโมงนะในในในชั่วโมงการทํางานนี่แหละนะไม่ใช่ว่านอกเวลานะจะต้องจับชั่วโมงซึ่งซึ่งต้องมาพบปากกันนะคะ เรพบปะ ก, กันแล้วก็ได้มาเหมือนจะเรียกว่าอะไรดีนะคะปรปวรณามครับท่านคือจะมาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นข้อที่ขัดข้องยังไงในตัวเขานะโดยก็อย่างยิ่งเวลาที่เขาอยู่กับนักเรียนความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็อยากจะให้เพื่อนนช่วยกันช่วยกันดูช่วยกันมองบางทีก็ให้เข้าไปสังเกตในห้องเลยเพื่อซ้ำไปว่า เขาพูดยังไงเขามีบุคลิกยังไงเขาเผลอยังไงนะมันก็จะเกิดวงอันนี้ขึ้นนะคะซึ่งเราก็ไปพัฒนาอีกรอบหนึ่งเป็นวงที่เราเรียกว่า after action review เราก็เอาศัพท์สมัยใหม่เข้ามาใส่แล้วตอนนี้เราก็เผยแพร่วงนี้นะคะฝึกให้กับทุกโรงเรียนเลยที่มาดูงานที่ลูล่รุนเพราะลู่รุ่นนี่เป็นที่ที่คนมาดูงานตลอดเวลาแล้วเราก็จะฝึกอันนี้ให้ แล้วเข้าไปใช้ก็ได้ผลจริงๆนะเนี่ยตรงเนี้ยคุณหนูคิดลองลองลองลึกภาพดูเนาะมันก็มันก็เกิดผลแล้วก็ติดปากกันแล้ว AAR ถ้ามาที่รุ่งลุนต้องได้ AAR <laughs> After Action Review แล้วกลับไปแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่า AAR ที่รุ่งลุนเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะคะคือเราไม่ใช่ไปเพ่งเลงคนอื่นแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของเราเอง ครูแต่ละคนี่จะสะท้อนจากตัวเองก่อนนะแล้วก็ค่อยๆให้คนอื่นช่วยช่วยวิเคราะห์ให้นะช่วยมองให้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ อ, อเรียกว่าเขาบอกมันทําให้การพูดคุยกันเนี่ยฟังกันเนี่ยมันง่ายขึ้นการยอมรับกันเะนี่ยมันง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเพ่งโทษใครนะไม่มีใครถูกเพ่งโทษบางเรียนที่จะบอกเลยว่าโอ้โ oh ห ต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือกับวงประชุมที่โรงเรียนเขาเคยมีเขาไม่เคยได้มีโอกาสที่จะพูดเปิดเผยตัวเขาเองได้ถึงขนาดนั้นนะแล้วรู้สึกว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่จะพูดนะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่เราเอาเข้าไปใช้นะก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะคะมันค่อยๆเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ได้ใช้อย่างเรียกว่าใช้มากเลยใช้ถี่อย่างที่โรงเรียนเนี่ยทุกระดับชั้นจะต้องมีวงเอา นะฮะสัปดาห์ละหนอย่างน้อยสัปดาห์ละก็ประมาณสักสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครึ่งแต่อย่าไปจับเป็นนอกเวลานะคะเดี๋ยวครูกลับบ้านเย็นเกินไปไม่ได้นะก็จับในเวลาให้หรือเรียกว่าทุกคนต้องมีเวลาว่างพบกันอออย่างอื่นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอเเขียนหรือบันทึกขึ้นมาว่าเ อ, อหลักสูตรที่ตอนที่พัฒนา เอาครูไปปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยเราเรามีหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้ากลับไปค้นก็น่าจะน่าจะทำได้ครับน่าจะเจอการเราีการใช้การเสียงจากลูกศิลุกม้าหรือเ่าคะแต่ไม่ทราบการเรียนที่ตอันนี้ค่ะเสียงเสียงลูกศิษย์ทุกวันเลยค่ะลูกศิษย์ในห้องนะคะ เวลาที่คือเราปรับวิธีเรียนใหม่เลยก็คือคุณครูจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้บอกแต่อย่างเดียวแต่ว่าคุณครูต้องให้ให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเป็นผู้สะท้อนความคิดเห็นนะคะอันนี้จะได้ผลมากเลยห้องเรียนน่าดูมากตอนที่เกาหลีมาดูงานนี่เขาทึ่งมากว่า oh, ทำไมนักเรียนเราพูดได้ชัดเจนขนาดนี้แล้วก็ฟังกันดีมาก คือคนนี้พูดมาคนอื่นฟังพอฟังแล้วต่อยอดขึ้นไปจากคนนี้ได้แล้วก็ต่อยอดก็มีจนสุดท้ายได้ข้อสรุปที่ดีมากแล้วครูเขาก็จะให้นักเรียนเขียนคํานิยามในเรื่องนั้นเองเช่นวันนั้นก็ไปดูห้องห้องเรียนที่กําลังเรียนเรื่องทศนิยมป .4 เรื่องทศนิยมกับเศษส่วนสุดท้ายครูให้นักเรียนเขียนคํานิยามอธิบายเศษส่วนคืออะไรทศนิยมคืออะไรโหนั่งเขียนกันใหญ่เลย คือทุกอย่างที่มันมาจากการเรียนรู้ของเขาเองเนะี่ยเขาขันสระหวังรู้ขึ้นเองเขาจะเต็มใจเรียนมากเลยแล้วมันจะติดตัวเขเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะพลิกวิธีการมากเลยของครูนะคะครูที่เป็นกาลยานนบิตรควรจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็ฟังฟังนักเรียนฟังนักเรียนให้เป็นค่ะขอบคุณค่ะเชิญนะคะข้างหลังครับ อาจารย์ครับก็ขออนญาตนะครับเดี๋ใช้เวลาเน็ตนึงทีนี้ครับคําถามอาจารย์ทํำไงมันสันส้นๆแ ล, ะ ล, ะละนะ้วจริงๆมีข้อเสนอนะผมไม่มีข้อเสนอนะแต่เป็นคําถามที่จริงๆแล้วก็เป็นคําถามที่คาใจผมอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วควรจะไปถามหลวงพ่อแต่ว่าท่านไม่อยู่ให้ถามนะก็เลยถามอาจารย์แทนแล้วกั น, น ค, คือทีนี้ครับจากถ้าดูจากวิธีอบรมขอ ง, ของ ขบงหลวอนะครับตั้งแต่ในการจัดฝึกอบรมสติหรือจัดคอร์รีสิตอะไรสั้นๆในท่านก็มีเวอร์ชั่นแรกต่อมาก็คล้ายๆกับสร้างนะวัตกรรมหรือพัฒนาระบบขึ้นมาเป็นไมโครแฮมหาสิทธิต่อมาเป็นนาโนแฮมหาสิต ah ิเดี๋ยวผม อ, อธิบายคําว่าไมโครนาโนนิดหน่งนะครับสําหรับญาติโยมที่ที่ผู้ฟังคําว่า Micro ah asis, ไมโครแปลว่า1ส่วนล้านนะครับ นาโนแปลว่าหนึ่งส่วนพันล้านเพราะฉะนั้นถ้ามหาเศรษฐีใหญ่แค่นั้น 1, 000, 000, หนึ่งส่วนล้านก็แปลว่าใช้เวลาจิ๊บหนึ่งหนึ่งส่วนพันล้านก็ใช้เวลาจิ๊บหนึ่งน้อยกว่านั่นอีกผมเข้าใจอย่างนี้นะครับแตบบ่นี้ก็เลยจริงๆแล้วผมก็คาใจไม่เข้าใจจุดนี้อยู่ว่าความคิดของท่านท่านคงมีวิธีการนวัตกรรมของท่านอยู่แต่ผมไม่มีโอกาสเรียนถามท่านแต่อาจารย์ทานะอยู่กับท่าน รู้จักมายี่สิบปีฝึกสติแล้วก็ทำงานการศึกษาอบรมมากับท่านอย่างนี้นะคะท่านคงจะหินหรือว่าท่านคกจะไกลๆให้บ้างหรือมองมองเห็นลางอะไรนัไครับถ้าอาจารย์คิดว่าผมมองเห็นวิธีแนวคิดของหลวงพ่อก็อยากใ ห, ให้ให้อาจารย์ช่วยให้ให้ข้อคิดเห็นในมุมนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณสาหรับคำถามนะคะ ฉันฝึกกับหลวงพ่อยังไม่ถึงไม่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ได้ฝึกกับหลวงพ่อนะคะามาฝึกกับหลวงพ่อสักประมาณน่าจะไม่ถึงสิบปีเนาะแล้วก็เราก็เปลี่นอะไรหลายๆอย่างมากเลยหลังจากที่ได้ได้รับ ก, การนะได้เห็นคือตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนในวิธีการที่ว่าทํายังไงให้คุณครูแล้วผู้ปกครองนี้ได้เข้าถึงเรื่องนี้ให้ให้มาก แต่ก็อย่างว่าเราไม่ได้ใช้วิธีบังคับแต่ในด้านที่ท่านถามท่านท่านเราลบขึ้นมาเนี่ยเนยก็ยังนึกไม่ค่อยออกนะว่าเรนได้สัมผัสเรื่องนี้หรือไม่จากหลวงพ่อมหาถ้าจะให้ถ้าจะให้มองเนี่ยคือคือเรนว่าหลวงพ่อมหาเนี่ยท่าน พร้อมที่จะแอพลายนะท่านพร้อมที่จะประยุกต์ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านให้คุณครูวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะซึ่งก็ไม่ค่อยภาษีภาษาเรื่องปฏิบัติธรรมหรอกนะคะแต่เขาเข้าปฏิบัติธรรมด้วยในครั้งนั้นนะให้มาทําการทดลองเรื่องเรื่องน้ําใส่สีเนี่ยนะเอาเอาหลอดหลอดแก้วทดลองทางวิทยาศาสตร์มานะแล้วก็มาทําการทดลองให้ผู้เข้าปฏิบัติเดูนะ แล้วก็ให้ครูคนนั้นเนี่ยอธิบายว่าทําไมน้ํามันถึงเปลี่ยนสีอเร็วช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างกันยังไงแล้วครูคนนั้นก็เลยเข้าใจไปเลยเรื่องปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็จะมีวิธีแบบเนี้ค่ะรึกออกไหมคะคือท่านจะ อ, อ, อง่ายๆของท่านนะท่านจะหยิบจับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใกล้ๆอย่างเงี้ย พอรู้ว่าอ้าวครูวิทยาศาสตร์จะเข้าปฏิบัติธรรมท่านก็อ่ะมาทำเรื่องนี้สิคือท่านจะสบายๆกับการเห็นสิ่งรอบตัวแล้วก็หยิบจักมาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะสอนนะให้คนเข้าถึงความเข้าใจลึกๆได้เียก็ไม่รู้ว่าตอบท่านหรือเปล่าแลว้ว่าเนี่ยได้เห็นบุคลิกเนี่ยแล้วก็เลยรู้สึกเออ มีวิธีการเยอะดีนะก็คงไม่ได้ตอบนะคะับจได้เล่าค่ะ <c oughs> ว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ต้องตับขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ที่พยายา จะรับฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้คารุณาสนทนาร่วมด้วยนะค ะ, ละกล่าวขอบพระคุณพระคุณเจ้าพ่อะะพระอาจารย์ดวงศินปแล้วก็พรคุณเจ้าทุกลูปนะเจ้าคะที่ได้ให้โอกาส ใ, ในครั้งนี้ก็ขอว่าขอประวรนาตัวแล้วกันนะว่าคงจะทำตัวให้เป็นผู้รับใช้นะ ในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่นะคะให้สบายสบายขึ้นนะค่คงจะขอโอกาสว่าขอที่พึ่งนะคะทุกท่านด้วยนะคะให้ช่วยอย่างน้อยให้กำลังใจหรือว่าถ้ามีคำแนะนำนี้ยินดี ท, ทุกน้องรับทุ ก, ท ก, ทกคำนะคะกับขอบคุณค่ะ